เพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กระทำกันก็คือให้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนศึกษาแล้วก็เอาคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะได้บรรลุผล ของการปฏิบัติคือบรรลุธรรมขั้นต่างๆณสถานที่อย่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมช่วงสามสิบนาทีแรก<ม>และต่อ ด, ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิ <c oughs> อีกสามสิบนาทีด้วยกัน<ม>สำหรับธรรมที่จะเอามา ฝากท่านในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ชาวพุทธเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทจะทำให้เราปล่อยประละเลยหน้าที่ที่เราควรจะกระทำกันเพราะเราคิดว่า เรายังจะอยู่กันไปอยู่เรื่อยๆ อ, อีกเป็นเวลาอันยาวนานหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาการปฏิบัติและการบรรลุธรรมเอาไว้รอให้มีเวลาว่างก่อนให้มีเวลาให้ให้มีให้อายุมากก่อนให้เป็นคนแก่ก่อน ให้เข้าวัดกันความคิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นความประมาทเพราะความจริงแล้วเราไม่รู้กันว่าชีวิตของพวกเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คนเหล่านี้สามารถถึงแก่ความตายได้ทุกอายุบางคนเกิดมาวันเดียวก็ตายก็มี บางคนเกิดมาอยู่ได้ปีหนึ่งก็ตายสิบปีก็มียี่สิบปีก็มีความตายนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนและไม่มีใครรู้เวลาว่าจะตายกันเมื่อไหร่ถ้าไปคิดว่าจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความประมาท เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ได้ถ้าเกิดตายไปก่อนในเวลาก่อนที่เราคิดว่าเราจะตายเราก็จะเสียโอกาสอันประเสริฐอันเลิศคือโอกาสที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมกันเพราะว่าการที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุ ธ, ธรรมกันได้ เราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์นะเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเราถึงจะสามารถบรรลุถึงธรรมนเลิศอันรเริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกัน พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราหมั่นตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่เป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ต้องตายกันเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ได้ ไห้าำเนินอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทเพื่อเราจะได้รีบทำภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กับพวกเราทาเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งนานๆจะมีโอกาสได้หลุดพ้นกันสักครั้ง เพต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้นําทางนั่นเองพระพุทธ เ, เจ้าทรงถามพระอานุนที่เป็นพระอุปทาของพระองค์ว่าอานุนวันวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายกี่ครั้งด้วยกันพระอานุ์ก็ตอบว่าประมาณสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นพระพุทธ เ, เจ้าบอกว่าอานนุ์ เธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทำให้เธอไม่ประมาทก็คือเธอต้องเราเลิกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยคือหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้เราเลิกอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ เพราะว่าเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายนี้แล้วเรามัวไปทำภารกิจอย่างอื่นจนเลยเถิดเราก็อาจจะลืมภารกิจอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ของเราคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองซึ่งเป็นภารกิจที่ไม่มีใครจะสามารถทำให้เรากับให้เราได้ และเป็นภารกิจที่จะต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้มาสอนมาบอกเท่านั้นถ้าเรามาเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนา mm. เราก็จะไม่รู้วิธีของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร mm. ต่อให้เราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์มากมายขนาดไหนก็ตาม mm. แต่ถ้า ไม่มีคนสอนวิธีที่ถูกต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นไปไม่ได้เลยต้องมีพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้มาประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระของพระองค์แล้วก็มีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมนำเอาคำสอนนี้ มาเผยแผ่ถ่ายทอดกันมาเป็นยุคยุคตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรูพระธรรมมันเลิศอันประเสริฐพระธรรมที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงพระนิพพานแดนที่มีแต่ความสุขอย่างยิ่งใหญ่ บารมณสุขหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูแล้วก็ได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับบุคคลที่สนใจให้นำเอาไปปฏิบัติในเบื้องต้นพ่อองค์ก็ทรงสอนให้กับพวกนักบวชก่อนเพเห็นว่าพวกนักบวชนี้มีความพร้อมมีศักยภาพสูง เพราะว่ามีเครื่องรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าคือปัญญาสิ่งที่จะมารองรับปัญญาที่พทธเจ้าจะนำเอามาสอนนี้ก็ต้องมีศีลและสมาธินั่นเองศีลกับสมาธินี้เป็นเหมือนจานข้าวส่วนปัญญาคือความรู้ที่พทธเจ้าได้ทรงตัดสรลนี้เหมือนอาหาร การที่เราจะรับอาหารจากพระพุทธเจ้าเพื่อนํามามารับประทานได้นี้เราจําเป็นจะต้องมีภาชนะเวลาเราไปตัดข้าวเราก็ต้องมีจานถ้าเราไม่มีจานมีมือเ ป, เปล่าเราก็ไม่สามารถที่จะเอากับข้าวามารับประทานได้นอกจากใส่มาในมือก็ได้มาเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรามีจานมีชามเราก็จะสามารถ ตักอาหารมาได้อย่างเต็มที่นอาหารที่เราได้มา น, นี้ไปรับประทานจนทําให้เกิดความอิ่มความจัดความทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้อย่ใดพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุนี้ก็เป็นเหมือนอาหารเราเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ ผู้ที่จะสามารถรับปัญญาอันเลิ่อันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าและนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ของตนได้นั้นจําเป็นที่ต้องมีภาชนะรองรับก็คือต้องมีศีลและสมาธิถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธินี้ใจจะไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจหรือที่จะนำมาไปปฏิบัต ตามที่พระองค์ได้ส่งสอนให้ปฏิบัติได้ดังนั้นในเบื้องต้นพระองค์จึงมุ่งไปสอนพวกที่เป็นนักบวช <c oughs> ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ <c oughs> ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีอ่าไม่ใช่ไม่ประพฤติผิดไม่เสพกามไม่ร่วมเพศ <c oughs> ไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆและไม่เสพ ความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานอาหารเพียงวันละมือ้อสองมือ้อไม่เกินเที่ยงวันไม่หาความสุขจากมหระศบบันเทิงต่างๆและไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนที่นอนอันสำราญที่เป็นที่ให้ความสุขจะทำให้เกิดความติดกับการหลับนอน จะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติพวกนังบวชทั้งหลายนี้เขาจะถือศีลแปดกันขึ้นไปเป็นอย่างน้อยศีลแปดบ้างศีลสิบบ้างศีลสองร้อยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าข้อบ้าง <c oughs> นี่คือภาชนะที่จะมาสนับสนุนให้เกิดสมาธิที่เป็นภาชนะอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่มีศีล การปฏิบัติสมาธิเพื่อทําใจให้สงบนี้จะเป็นไปได้ยากเพราะจะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพราะว่ามัวแต่จะไปทํากิจกรรมทางกามกันไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆเสบรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ เสบรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของการรับประทานอาหารตามความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสจากมหอรสบันเทิงต่างๆซึ่งจะทำให้ไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะธรรมะที่พู้เจ้าทรงประทานนี้ผู้รับจะต้องมีใจที่นิ่งสงบ ถึงจะฟังแล้วเข้าใจแล้วนเมาไปดับความทุกข์ต่างๆคือไปดับเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสปัญหาโมหะอวิชชาความโลภความอยากต่างๆที่คอยหลอกให้ใจมาติดกับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าจะหยุดกิเลสัญหาโมหะอวิชชา จิตจะต้องเป็นจิตที่มีพลังมีความสงบพลังของความสงบคือสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ถึงจะสามารถเอาปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้ไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่าทุกเหตุของความทุกข์เกิดจากความโลภความอยากต่างๆถ้าอยากจะตัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจก็ต้องหยุดความอยาก หยุดความทุกข์ด้วยกํากำลังของสมาธิเท่านั้นถ้ายังไม่มีสมาธิจะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ละเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความโลภความอยากต่างๆได้ถ้ามีสมาธิแล้วเวลาฟังธรรมฟังอริยสัจ ส, สก็จะเข้าใจตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นพออยากแล้วไม่ได้ใจก็จะทุกข์แต่ถ้าพอมีปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสูญเสียมีการพลาดพลาดจากกันอย่าไปอยากดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความเฉยดีกว่าอยู่กับอุเบกขาอยู่กับสมาธิดีกว่าพอมีสมาธิใจก็จะมีความสุขใจก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากความหลงที่คอยมาหลอกให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ต่างๆได้ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะหายทุกข์นี่คือช่วงแรกๆพระเจ้าจะทรงไปสอนวงนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิในระดับฌานขึ้นไปพอได้แสดงอรยิยสัจสี แสดงถึงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและแสดงเหตุของการดับความทุกข์ว่าต้องใช้อะไรดับ mm hmm. ก็คือต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะหยุดความทุกข์ต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเช็นรูปเสียงกลิ่นรสโผภาพชนิดต่างๆนี้เป็นของชั่วกราว เวลาเราได้เศษมันก็มีความสุขพอเศษมานล้มันก็หมดไปพอมันหมดไปมันก็ทำให้รู้สึกอ้างว้ า, ปางปาเปลี่ยวเดียวได้เช่นเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านมาอยู่คนเดียวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปทำให้ใจเรารู้สึกหิวโหวยอยากจะไปหาความสุขอยู่เรื่อ ย, อยแล้วถ้าไม่ได้ไปไม่สามารถไปได้ ถ้าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายนี่ใจก็จะเดือดร้อนใจจะไม่สามารถมีความสุขได้แต่ถ้าตัดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นก็ได้ใจก็จะสงบมีความสุขอยากการละความอยาก<ม><ม>พอไม่มีความอยากในใจแล้วความหิวโหวยความความหงุดหงิดลำคาใจต่างๆก็จะหายไป สามารถอยู่เฉยๆได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับใจพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมเหล่านี้ให้กับนักบวชเมื่อตอนก็ทรงสแสดงให้กับพระปัญจวัคคีที่เคยเป็นสาวกติดตามพระองค์อยู่แต่หลังจากที่พระองค์ทรงหยุดการทรมานร่างกายสาวกก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าอยอมแพ้ก็เลยแยกตัวไม่ไม่ติดตาม เป็นสาวกอีกต่อไปแต่พอพระเจ้าได้ตัดสรูแล้วก็คิดถึงสาวกพอเห็นว่าเป็นเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีมีสมาธิมีฌานมีศักยภาพที่จะรับธรรมันเลิศนันประเสริฐ จ, จากพระ อ, องค์ได้พ อ, องค์ก็เลยไปโปรดพระปัญจวัคคีในเบื้องต้นพอแสดงธรรมพระอริยรรสัจสีแสดงมรรคดเสร็จพระ ึงในพระพัญจะวัคคี่ก็บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นความทุกข์ของร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าไปยุึดไปติดกับร่างกายไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขใจก็จะต้องทุกข์วลาที่ร่างกาย ไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับใจได้ <responder> พอเห็นอย่างนี้ก็เลยละไม่ยึดไม่ติดไม่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขหาความสุขจากการอยู่เฉยๆหาความ ส, ากกาา <completa> าสุขจากการดับความอยากต่างๆดีกว่าพอดับความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย แล้วพอพระองค์ทรงสแสดงทำลึกเข้าไปถึงขั้นในจิตก็ทรงทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ารูปนี้ได้ดับความทุกข์ทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันตสาวกกลุ่มแรกคือห้ า, หารูปด้วยกันหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงไปโปรดพวกนักบวชตามสำนักต่างๆจนทุกครั้งที่ทรงสแสดงผู้ที่มาฟังก็มักจะบรรลุปเป็นพาาระอรหันต์กัน เพราะว่าผู้ฟังรุ่นนี้เป็นผู้ที่มีมีภาชนะรองรับปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองคือมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิในระดับอัปปนาในระดับฌานสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอพิจารณาเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทําให้ใจต้องทุกข์เป็นเหตุที่ทําให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไป การเีนว่ายตายเกิดก็จะเส้นสุดลงในระยะช่วงเจ็ดเดินแรกของการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ปรากฏมีพระอรหานตะสาวกอย่างน้อยก็หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาค้าบูชาคือในวันเพ็ญเดือนเดือนสามพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแ พอถึงวันเพ็ญเดือนสามปีปีต่อมาก็เป็นเวลาเจ็ดเดือนด้วยกันเหล่าผู้ที่เป็นสาวกผู้ที่ได้บรรุธรรมจากการฟังเทศฟังธรรมของพระเจ้าหลังจากที่ได้บรรุแล้วพระเจ้าก็ทรงบอกให้ไปเอาธรรมอันนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปโดยให้ยยกกันไปคนละทิศคนละทางอย่าไปกระจุกตัวอยู่ในที่เดียวกัน ให้กระจายออกไปเพื่อจะได้เอาคำสอนนันประเสริฐนี้ไปให้ถึงผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟังได้มากที่สุดพอถึงวันเพ็ญเดือนสามนี่เป็นธรรมเนียมของสาวกมักจะท่าเข้ามากล่าวไหว้ครูบาอาจารย์ของตนวันนั้นก็เลยมีผ้าหลานตาสาวกหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชา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 ให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่มาตัดสัุ้ตอนที่พระเจ้าทรงสอนพวกนักบวชนี้พวกนักบวชเขาก็มีศีลแล้วเขาได้ละการกระทําบาปแล้วเขาได้ทําบุญได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ยังไม่ได้ซักฟอกจิตใจยังไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจพระองค์ก็เลยทรงสแสดง ให้ซักพ่อจิตใจด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากความโลภความโกรธต่างๆถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทาในเบื้องต้นตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆ ทรงเาราทรมาเล่นประเสริฐมาเผยแพร่ให้กับนักบวชที่มีภาชนะรองรับพอสอนปุ๊บเขาก็บรรูุทาได้เลยแล้วเขาก็จะได้มาช่วยนำเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปต่อมาก็มีพวกที่ยังไม่มียังไม่ได้เป็นนักบวชแต่ยังไม่ได้สมาธิพระองค์จะสอนให้เขาจเจริญสตินั่งสมาธิก่อนให ให้เจริญสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจริญปัญญาแล้วต่อมาก็มีพวกคารวะญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชก็สอนให้เขารักษาศีลก่อนรักษาศีลห้าในวันธรรมดามืในวันพระก็ให้มารักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพอพวกนี้เริ่มปฏิบัติตามคาสอนอย่างเคร่งครัดในไม่ช้าก็เร็วก็ได้บรรลุธรรมกัน ตามลำดับต่อไปนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้กับพวกเราชาวพุทธมากระทำเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราเองพวกเราไม่รู้หรอกว่าพวกเรานี้ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราไม่รู้ว่าเราถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้เวลาเราตายไปเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อย ก่อนที่จะไดก้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้ก่อนด้วยในขณะที่เราไม่มีร่างกายในขณะที่เราเป็นดวงวิญญาณถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวที่เรียกว่าสุลกายหรือเป็นดวงวิญญาณที่ ที่ทุกทรมาด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทคือไปอยู่เนเป็นเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกในนรกหรือไม่เช่นนั้นถ้าไปเกิดก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชา น, นี่คือผลของการกระทำบาปมากกว่าบุญพระเจ้าจึงสอนให้ละการกระทำบาปปิดประตูบายก่อนแล้วสร้างเปิดประตูสวรรค์ด้วยการทําบุญทําทานถ้าทําบุญมากกว่าทำบาป ตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอมาซักฟอกจิตใจให้สะอาบริสุทธิ์ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลท่านต้นก็ผ่านสวรรค์ชั้นพรหมก่อนผ่านชั้นพรหมแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นอริยบุคคลแล้วก็ไปถึงพระนิพพานในที่สุดนี่คือสิ่งที่พพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเรา มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรุ ก, กันเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต่อให้เราร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีต่อให้เรามีความรู้ความฉลาดระดับศาสตรา จ, จารย์ก็ตามแต่ความรู้ทางโลกหรือทรัพสมบัติทางโลกนี้ไม่สามารถนามาดับความทุกข์ทางใจได้ ต้องเอาความรู้ทางพระพุทธศ า, า, าสนาที่พระเจ้าด้วยทรงตรัสโลนี้นำเอามาศึกษาและนำเอามไปปฏิบัติถ้าเราศึกษาและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมรรคผลนิพพานหรือบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็จะปรากฏตามลําดับอย่างแน่นอนเราจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ประมาทกันเราต้องหมั่นพยายามมาเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ความตายนี้ไม่การระลึกถึงความตายนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจแต่อย่างใดคนคนตัวกลัวคําว่าตายไม่กล้าคิดถึงคําว่าตายความจริงความตายการระลึกถึงความตายนี้เป็นการสอนใจให้เกิดปัญญาให้รู้ให้ฉลาดว่าชีวิตของเรานี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนเพื่อเราจะได้รีบทํากิจที่เราควรจะทําก่อน อย่าปล่อยให้กิจสำคัญนี้ไว้ทีหลังแล้วมามัวทําตะกิจที่ไม่สําคัญคือการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรที่จะไม่อยู่ไม่ช่วยทําให้ใจเราห ล, หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ใเรามีมาทําภารกิจที่จะช่วยทําให้จิตของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ดีกว่าคือให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติและให้เรา บรรลุมรรคผลนิพพานกันอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะทํากันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างน้อยวันหนึ่งเราเตื่นขึ้นมาก็ต้องเลกราเลิกได้ ว, ว่าวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ะชีวิตของคนเราทุกคนเราคงได้ยินได้ข่าวของคนนั้นคนนี้อยู่ดีๆก็หายต๋ำไปอยู่ดีๆก็ตายไปทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะตายกัน แต่เขาก็ต้องตายกันทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันด้วยกันอยู่ดีั้นการพิจ า, ารณ า, าความตายนี้จะทำให้เรามีความกระตือรือร้นมีความให้เรารีบเร่งทำความเพียรรีบเร่งศึกษาพราะธรรมคำสอนที่เรายังไม่เข้าใจที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติศึกษาให้เข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่าง ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับอย่างแน่นอนอพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เราเถึงความตายอยู่เรื่อยทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับการทำภารกิจที่ไม่มีสาระประโยชน์ต่อจิตใจ หันมาทำภารกิจที่มีสาระประโยชน์คือมาดับความทุกข์ของใจจะดีกว่านี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือความไม่ประมาทก็พอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมคือการมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมา ให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเรามีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, พอเราเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราก็จะสามารถหยุดมันได้ทันทีเพราะเราไม่เดือดร้อนเราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากสมาธิเราจะไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหา รูปเสียงกลินลดมาเสกเพราะเราสามารถมีความสุขที่ดีกว่าจากการที่เรานั่งสมาธิเจริญสติหยุดความคิดทําจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้เท่านั้นเองดังนั้นต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อเพื่อหยุดความคิดเพราะความคิดนี้ทําให้ใจไม่นิ่งไม่สงบเมื่อใจไม่นิ่งไม่สงบมีความคิดมันก็จะมีความอยากต่างๆ ต, ตามมา อยากไปนู่นอยากมานี่อยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่พอเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็จะรู้สึกหุดหงิดรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาไม่มีความสุขแต่ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจเราจะเน่งจะสงบความอึดอัดความหงดหงิดต่างๆจะหายไปจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขกันใดเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เลย ่ังนั้นเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรทั้งนั้นไม่ใช่ช่วงปัญญาการปฏิบัติขั้นปัญญากับขั้นสมาธินี้ต่างกันขั้นปัญญาต้องการรู้เหตุรู้ผลต่างๆเช่นรู้อริยรรสัจสีรู้ตายลักอันนี้จังทุกขังอนนาตาแต่ช่วงนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการรู้อะไรต้องการหยุดความคิดให้จิตรู้รู้อยู่กับความว่างให้เน่งอยู่กับความว่าง เพราะความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงก่อนที่เราจะไปทางปัญญาเพื่อละความอยากได้เราต้องมีความสุขของใจก่อนความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเราถึองจะมีกําลังที่จะปลป่อยปล่อยปลละความอยากต่างๆได้ในเวลานั่งสมาธิเราต้องมีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐานที่จะผูกให้เราผูกใจให้เราไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆ อารมณ์กรรมฐานที่เรามักจะใช้กันก็คือพุทธานุสติคือเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือบางท่านก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกให้รู้เฉย ให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอะไรบางท่านก็ใช้ทั้งพุโทโธทั้งลมควบคู่กันไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเผลอไปคิดก็ต้องดึงใจกลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมบางทีถ้าใจคิดมากไม่สามารถอยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อน ส่วนบนส่วนบทไหนก็ได้ส่วนบทสั้นบทยาวก็ได้ที่เราจาได้บทสั้นก็อิติพีโสก็ได้ถ้าบทยาวหน่อยก็อาจจะเป็นพระสูตรต่างๆก็ได้แล้วแต่เราที่เราจะจาได้สวดไปแล้วให้มีสติอยู่การสวดอย่าปล่อยให้สวดไปคิดไปต้องสวดอย่างเดียวไม่ให้คิดนะถ้าอยู่บทสวดได้ต่อไปความคิดก็ จ, จางหายไปทาให้เราสามารถกลับมาดูลมได้กลับมาพุทธโธได้ แถ้าเราอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่นานใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสุขที่ไม่เหมือนที่เหนือนกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เกิดอูเบิกขาใจนิ่งเฉยใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิให้ใจนิ่งให้สงบให้มีตัเบกขา เวลาระหว่างเวลาที่นั่งถ้ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจมีภาพมีเสียงมีกลิ่นมีอะไรเข้ามาให้เรารับรู้ก็อย่าไปตามรู้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าใช้พุโทโธก็กลับมาอยู่ที่พุโทโธถ้าใช้ลมก็กลับมาที่ลมอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวท่านั้นใจถึงจะนิ่งสงบเป็นธมาที่เป็นฌานขึ้นมาได้ น, นี่คือวิธีนั่งที่เราจะทากันในขณะ น, นี้ประมาณสัก ยี่สิบกว่านาทีด้วยกันเกือบต่อไปนี้เราก็จะมาตั้งสติดูอยู่กับกรรมฐานกันจนกว่าจะหมดเวล า, เาตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งข่าวหน้าก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะว่ามันไม่สงบด้วยความอยากมันสงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยควรเจริญสติในระหว่างวันไปด้วยเต้นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไป ทาไม่ต้องใช้ความคิดกับสิ่งที่เราทำก็ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติจะมีเพิ่มมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะนุมมธนาให้พร <S <S ยะถ า, าวาริวะหาปุราปาริปุเรติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปติ เอจิตังปะทิตางตุงหังคิปเมวะสะมิจชัตุสะเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนะระโสยถามนีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทานศีลสานิจจังวุธาปะจายโนจตารูธรรมวัฏฐันเตอายุวโนสุขังภาลัง ลําดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่จะมีการตอบคําถามให้เพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะต้องมีการกระทําอะไรอื่นๆอีกจะทําให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องงั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 252าท่น YouTube, านยู u ูบพาโชาตรา์าร้อยท่าน YouTube ดรวีท่านวิทยุออนไลน์ Online, 10ท่านคลับเฮา6ท่านนาคุติ205ท่านรวมทั้งหมด824สท่นานครับอาจารย์ มีคำถามจากทางหน้ากุฏินะคะคุณแม่เป็นคนที่รักพี่น้องมากชอบเอาเรื่องของพี่น้องมาเป็นความทุกข์ของตนเองและพยายามแก้ปัญหาให้กับทุกคนจะทําอย่างไรให้คุณแม่ปล่อยวางและใช้ชีวิตอย่างมีสุขในบ้านปลายชีวิตคะเราต้องปล่อยวางคุณแม่ก่อนเราไปทุกข์กับคุณแม่แล้วก็ไปว่าคุณแม่ไปทุกข์กับคนอื่นมันก็เหมือนกันน่ะ ตัวเราเองยังปล่อยวางไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นแล้วก็เขาปล่อยวางได้อย่างไรเราต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนตัวเรายังยังปล่อยไม่ได้แล้วเราจะไปสอนให้คนอื่นเขาปล่อยได้อย่างไรจากหนา้ากุฏิค่ะเวลามีเหตุการณ์ที่มากระทบจิตทําให้เราเกิดโทสะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําอย่างไรให้เราสามารถควบคุมและดับโทสะได้อย่างรวดเร็วค่ะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไป พอเกิดความโกรธปั๊บก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจถ้าเปลีกตัวไปเข้าห้องน้ำได้ก็ปลี่ตัวไปเข้าห้องน้ำอย่าอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธมันจะทำให้เรายังโกรธอยู่แยกตัวเราออกแล้วดึงใจเราออกจากเหตุการณ์ด้วยการใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวไม่นานก็จะหายโกรธจากทางหน้ากุฏิคะ่ะ ญาติที่เข้ามาหวังผลประโยชน์กับตัวเราและครอบครัวจะวางใจอย่างไรในการรับมือค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างทานบา ร, รมีก็แล้วกันสร้างเมตตาบา ร, รมีใครเขาเดือดร้อนใครก็จะมารับผลประโยชน์อะไรจากเราถ้าเราพอมีแบ่งให้เขาได้ก็ให้เขาไปเป็นการทาบุญทาทานเป็นการเจริญเมตตาจากทางนากกุติค่ะ หนูจับได้ว่าสามีนอกใจมาตลอดระยะเวลาที่คบแต่งงานและมีลูกค่ะสามียอมรับทุกอย่างและอยากแก้ไขสามีเริ่มฟังธรรมนั่งสมาธิแบบที่พระอาจารย์สอนเขาทุกข์มากเขาละอายใจกับสิ่งที่ทำลงไปขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยสามีด้วยเจ้าค่ะ เรื่องจิตวิญญาณต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยเท่านั้นค่ะ เ, ออเรื่ อ, ง, องนี้มันเรื่องอัตตาเฮอตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนเขาต้องพยายามช่วยตัวเขาเองช่วยพยายามสอนใจเขาทำใจเขาให้สงบแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ mm hmm. คนอื่นช่วยไม่ได้หรอกคนอื่นเพียงแต่เป็นกองเชียร์เชียร์เอาเลยพุโทโธเลยนั่งสมาธิเลย พิจารณาสุภาพเลยแต่ผู้ที่มีปัญหาต้องเป็นผู้กระทำํำจากคุณรักจังกุณธิดานะคะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ค่ะการที่ร่างกายเราต้องเจ็บป่วยไม่ได้เป็นเพราะบุญหรือบาปที่ได้กระทําถูกต้องใหม่เจ้าคะมันก็มีหลายส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติของร่างกายที่มันต้องแก่เจ็บตายไป อันนี้ไม่ว่าจะมีบุญหรือมีบาปก็เป็นเหมือนกันแต่คนที่มีบุญนี่อาจจะเจ็บน้อยกว่าคนที่ไม่มีบุญก็ได้หรือคนที่มีบาปมากก็จะเจ็บมากกว่าคนที่ไม่มีบาปก็ได้อันนี้เป็นส่วนส่วนผสมส่วนย่อยแต่โดยหลักแล้วไม่ว่าจะเป็นคนมีบุญหรือไม่มีมีบาปก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งนั้นคุณพการมาศค่ะ ยิ่งภาวนายิ่งทําให้เห็นกระบวนการทํางานของจิตใจในบางครั้งทําให้เกิดความรําคาญและหงุดหงิดง่ายควรแก้ไขอย่างไรต่อกับขอปัญญาจากพระอาจารย์ด้วยค่ะใช้สติทําใจให้นิ่งก่อนอย่าไปติดตามกระบวนการมากเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ใจฟุ้งทําให้ใจงุดหงิดได้พอเราเริ่มรู้สึก ง, งุดหงิดเราก็ต้องหยุดมันก่อนใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธคะนั่งสมาธิไปทําใจให้นิ่งให้สงบก่อน เราค่อยมาดูการกระบวนการใหม่ต่อไปจากท่านต่อไปค่ะขอพระอาจารย์เมตตาแก้ไขข้อสงสัยให้ลูกหลานได้ไหมครับดวงจิตนี้เป็นอมตะไม่ตายอยู่เป็นอนันตการเหมือนดินน้ำลมไฟและไม่ได้อยู่ในกฎของอนิจจังใช่หรือไม่ครับคือมันก็มันก็เป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่นันจะแปว่ามันเป็นอนิจจังก็ไม่ใช่ แต่ว่ามันมีตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนคุณจินนิพาค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะจิตว่างว่างนิ่งนิ่งเฉยเฉยแก้อย่างไรดีคะไม่ต้องแก้ท้งว่างว่างนิ่งนิ่งเฉยๆยก็ดีแล้วทำใจให้นิ่งให้ว่างบ่อยๆแล้วใจจะมีความสุขคุณอะโนมาค่ะทําอย่างไรเราจะละความอยากได้อย่างแท้จริงค่ะต้องเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์ เช่อยากจะมีแฟนมองให้เห็นว่าแฟนนี้เป็นตัวทําให้เราทุกข์ต่อไปเอามังจะเห็นว่าเขาทําให้เราสุขแต่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นอันทิจังไม่เที่ยงตอนเจอกันใหม่ๆเขาก็ดีกับเราเราก็รู้สึกมีความสุขกับเขาพออยู่กันไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเสียแล้วตอนนั้นใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาได้แล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ อย่างที่เมื่อกี้คำถามมีคนคําถามเล่าให้ฟังว่าสามีไปนอกใจไปมีภรรยาใหม่เนีย่ยเราต้องมองความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราว่ามันเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนไม่ยังยืนถาวรเปลี่ยนได้วันนี้เขารักเราพรุ่งนี้เขาอาจจะไปรักคนอื่นต่อก็ได้ให้มองเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขพอที่เขาเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากจะให้เขาอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอีกต่อไป จากท่านต่อไปค่ะกลับข อ, อกําลังใจจากพระอาจารย์คือว่าตอนนี้ผมเลิกกับภรรยาจิตใจไม่สงบตอนนี้ก็เลยหาที่ปฏิบัติธรรมเพื่อระ ง, งับความทุกข์ทางใจขอคําแนะนําในการปฏิบัติและกําลังใจจากพระอาจารย์ด้วยครับถ้าจะปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นที่สติต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดเจริญสติทั้งวันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิด หรือสลับกับการสวดมนต์บ้างก็ได้หรือสลับกับการดูอิริยาบถของร่างกายก็ได้ให้มีสติอยู่กับอาการเหล่านี้อยู่กับพุโทโธบ้างอยู่ ก, การสวดมนต์บ้างอยู่ ก, การเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างแล้วใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องทำให้ฟุง้งซ่านขึ้นมาถ้ามีเวลานั่งก็ให้นั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธทาใจให้นิ่งให้สงบพอสงบแล้วมีความสุขก็จะสบายใจนะทีนี้ จากคุณชยาดาค่ะกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิไปแล้วลมหายไปควรทำอย่างไดต่อไปคะให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ลมหายไม่ต้องทำอะไรจากคุณประพันธ์ค่ะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชวนไปร่วมงานเลี้ยงบ้างงานกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากบ้างหรือแม้กระทั่งงานศพ ผมมักหาเหตุผลปฏิเสธที่จะไม่ไปร่วมงานและเลือกจะอยู่กับตัวเองในห้องมากกว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากถูกเนื่องจากถูกลดรายได้ลงไปมากอยู่ห้องมักฟังธรรมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่สงบแต่หลายครั้งจะต้องเกี่ยวข้องกับญาติโดยไปช่วยเหลือมารดาบิดาที่สูงอายุและเจ็บป่วยหรือลูกที่ต้องให้เวลา ตนเองพยายามถือศีลห้าทานอาหารสองมือ้อแต่กินแต่เกินเที่ยงวันทำทำ ท, ำทานบ้างใส่บาตรในวันพระมาวันนี้ได้ฟังธรรมเรื่องความไม่ประมาทให้เล่นปฏิบททัติธรรมเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จึงอยากสอบถามถึงสิ่งที่ทำในปัจจุบันมาถูกทางแล้วหรือไม่ที่พยายามปฏิเสธงานสังคมและเลือกจะมีโลกส่วนตัวโดยอยู่กับตัวเองในห้องปฏิบัติธรรมไปเนือง และมีคําแนะนําในการเร่งทำก่อนตายอย่างไรหรือควรทําไปตามกําลังครับก็ถูกแล้วแหละพยายามเปลี่ตัวเองออกจากสังคมเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะถ้าเราอยู่คลุกเคีกับคนเราจะนั่งสมาธิจะเจริญสติไม่ได้เราต้องอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวพยายามทําให้มากขึ้นไปตามลาดับจากคุณนาวินนะคะ กับเรียนพระอาจารย์ถ้าเราอยู่กับธาตุรู้และเห็นสิ่งที่รู้เป็นเพียงสิ่งถูกมีไตรลักษณ์เกิดดับเป็นการเจริญปัญญาไหมครับถูกต้องเห็นทุกอย่างวอาเป็นของไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์อันนีจ้จังไม่เที่ยงถ้าไปยุ่งกับเข า, เาก็จะทําให้เกิดทุกข์ขังขึ้นมาเขาวาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาคุณสิริการค่ะ ในขณะนั่งสมาธิกำหนดดูลมหายใจ ม, มักมีอาการคันในลาคอแล้วก็กำหนดรู้หนอก็หายไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกพร้อมกับมีน้ำมูกและน้ำตาไหลก็พยายามกำหนดรู้หนอแบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปคะควรจะอยู่กับกรรมฐานจะดีกว่าถ้าเราดูลมก็อยู่กับลมไปอย่างเดียวถ้าเราบริกรรมพุทโธก็อยู่คำบริกรรมพุทโธไปดีกว่า อะไรมาปรากฏก็ปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองจากขั้นต่อไปค่ะพยายามเจริญสติอยู่กับลมหะอยู่กับลมในแต่ละวันรู้สึกสงบและมีสติมากขึ้นและรู้ทันความคิดของตัวเองรู้สึกรู้สึกหนักหัวไม่สบายหัวครับแบบนี้คือผมเพ่งไปใช่ไหมครับควรแก้อย่างไรดีครับก็สังเกตดูว่าถ้าเราหยุดทํา แล้วมันจะหายไปหรือเปล่าถ้าเราหยุดแล้วมันหายไปเราก็อาจจะทํามากไปก็ได้แต่ถ้ามันเป็นทั้งๆขณะที่เราหยุดทํามันก็ยังเป็นอยู่ก็อาจจะต้องไปหาหมอดูว่าเป็นเรื่องของร่างกายหรือเปล่าคำถามหมดแล้วน ะ, ะเดี๋ยวรอให้คนพิมพ์ส่งเข้ามาอันนี้ใครอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้นะ ถาจะได้เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานให้กับคนที่เข า, เาไม่ได้ถามคนที่เ้านั่งฟังอยู่คําถามของเราคําถามของเราปัญหาของเราก็เป็นเหมือนของเหมือนกันด้วยกันทุกคนพอเราถามแล้วเผื่อเขามีปัญหาแบบเดียวกันที่เขาไม่กล้าถามเพราะเราถามให้เขาแล้วเราได้คําตอบเขาก็จะได้คําตอบด้วยก็จะเป็นการแบ่งแบ่งธรรมะให้ต่อกันละกันเรียกว่าแชร์ธรรมะ แล้วก็ถ้าเป็นการให้ทำการให้ทำชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับความทุกข์ของใจไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ของใจได้ฉนะนพยายามศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆสมัยนี้เราฟังได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน มอยในมือถือของเราแล้วอย่าไปฟังเรื่องที่ทําให้เราโกรธดีกว่าไปฟังเรื่องคนนู้นคนนี้แล้วทําให้เราโกรธแล้วต้องอดไม่ได้ต้องเขียนด่าเข้าไปอีกพอด่าเขาเดี๋ยวเขาจับเราไปฟอ้องร้องขึ้ น, ข, นขึ้นลงขึ้นสายกันอีกมาฟังธรรมะดีกว่าฟังธรรมะแล้วใจเย็นใจสงบใจสบายเกิ ด, วดวความสุขเกิดวความเมตตาขึ้นมาไม่โกรธใครไม่เกลียดใครรู้ว่าคนเราทุกคนอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น แล้วก็ทุกคนมีความไม่แน่นอนต้องยอมมีการผิดพลาดได้สีเท้ายังรูพ้พลาดนักป่าชยังรู้พัน<ม>เราคนธรรมดาสามัญทําไมจะไม่ผิดพลาดบ้าง<ม>เห็นใครเขาผิดพลาดอย่าไปตําหนิเขาอย่าไปกระทืบเขาสงสารเขาดีกว่า<ม>ให้กําลังใจเขาว่าถ้าผิดแล้วก็แก้ใหม่อย่าทําซ้ําอีก<ม>เอาความผิดมาเป็นบทเรียน ม, มีเข้ามาแล้วค่ะาถามว่าขอเรื่องฝึกสติถ้ามีเรื่องทุกข์มากกระทบจะทำอย่างจะทําอย่างไดเป็นอันดับแรกค่ะก็นี่แหละบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์พยายามลืมมันให้ได้ก่อนพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่งมันก็ลืมพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์มันก็ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพอเราหายทุกข์แล้วเราจะใช้ปัญญาพิคาวิคเอดูว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากอะไรเ <_ d> um> กิดจากความอยากของเราเราอยากไปยุ่งกับเขาเองอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้เราก็ทุกขึ้นมานี่เราต้องมาแก้ที่ตัวเราก็อย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาเป็นไปอย่างผู้หญิงเมื่อกี้กไปยุ่งกับแม่อยากจะให้แม่ตัวเองก็เลยทุกขขึ้นมาโดยโดยไม่รู้สึกตัวแล้วแทนที่จะมาแก้ตัวเองก็พยายามไปแก้คนอื่น ถ้าคนอื่นมันก็มันก็ไม่แก้ไม่ได้หรอกคนอื่นขนาดตัวเราเองเรายังแก้ไม่ได้แล้วไปแก้คนอื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความทุกข์ในเบื้องต้นหยุดความคิดให้ได้ก่อนใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วก็พอใจหายทุกข์แล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าความทุกข์เกิดจากความอยากอันไหนอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้หรือเปล่าอยากเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอยากก็หยุดความอยากเสีย เราไปทําให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นส้มอย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเห็นไหมเวลาเห็นส้มนี่อยากให้ให้กลายเป็นกล้วยไหมไม่ไม่อยากใช่ไหมเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เราเห็นใครก็เป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากส้มให้มันเป็นกล้วยพอเปลี่ยนไม่ได้เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆหมดแล้วยังคําถามไม่มีแล้วแหละ